แต่นี่นาะมูตูแห่งคาแต่เก้าไว้เราสำมา่ยังอาจอยา่าทำไขาจา้าตามประวัติมีมาแต่จิมได้ขาบ้านเกิดเจ้ากายังกิ่งมีตั้งปุ่นตินด้ยจำเทิน เข่าเอื้องตามจืบบานอย่างกิงเก้าเอื้องยองยามพองตอนตันเจ้าเกิดแต่ปอบจบสองคำพอเจ้าจือนำ ม, มีอุ่น้นสามดวงร้องจมความจือตามน้ำตัง จือแม่นาำมีก็จานางแดงรวงสองบุญล่อนไฟตอนตานเจ้ามือหน่อยจือใจใส่แก้วจิ้มแล้วเตอลนดีวันปีเมื่อเจ้าเกิดแต้ปันสองร้อยแปดสิบแปด ด, ดเดินแจดดับว่าดูมีไข่ปันวันจันแต่ดีวันเกิดแปนค่อนขาถึงเมื่อเวลาสิบปีต้วอายุสำคูณดีบุตรก็โลดได้บุตรแต่ หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเจตูว่าอันปีนั้นบูดเนินผู้เจนถอยยืนพาบูดแต่อุยอดสะท่าไม่ออกนามมีไขจานางสุกเต่มีมาอยู่นองคอนขา ถึงเมื่อเวลาศึกษาเรียนท ร, ร ม, มาเป็นเน้นผ้าใหม่ก็โลดได้สอบแต่ปาลีเตะขาธรร ม, มาจากแลปุทธัง กะกูมาหาสามัยสอบได้ตีนั้นวัดหูคงกลางวิ่งสักขาดยายริงไขาจาปันสองร้อยเกาสิบเกาตูเตมีมาเมื่อจบรมขาถึงมือเว ศึกษาเรียนท ร, ร ม, มาจำมาหลายอย่างก็โหลดได้อย่างใหญ่ายเสียจากบานอย่างเก่งนั้นสั่งลา ไดมาอยู่ขอเสาตีวัดควันหมากนำขึ้นวัดใหม่จิงยืนกึดทั้งขอมายังเรียนทำอยู่กับคูขคา ปันสามร้อยหนึ่งตัวว่าได้มาศึกษาเวลานั้นสองพีตั้งอยู่การสุกไหมบุรวนเบาหันเตขารินเตสบาย มาตวอยปีแห่งเจ้าเกิดแตะน้ำลำดับมาอายุหากพ่อสาวเป็นตราสมกุลยกยอกุลเป็นภิคูยามอี ก็โหลดได้ไปเป็นพิคุยอในวัดจำริมบันเก่าจ้าเหล่าบ้านกาดฟ้าสะทาขามสิงเป็นเก้าหยกยอตวยนอปันเมื่อยอปิก ตุสกขาดปีเดินปันสามร้อยสองตู ว, ว่าตึงเดินจาใครเดินเจตเตะเรียมไปหาคำวันดีค่ะ แล้วก็ได้มาศึกษาเรนตุกเจอหูราหลายอย่างตามจังเจ้าไข ร, รูไขม้อนันขาเรีนแทงสืบเรนตําเป็นถึงเมื่อสักคาไดแมนตัดปันสามร้อยเก่าตัวหากฝึกเรน สับรรมาปาตาก่อยตําปินคัดใจฟึง่งรินไปหลุดจบทรองใดถึงเมื่อสักขาดไดเมนตัดปันสามร้อยสิบสองตหน้าวันนั้นรินจบปาลีไวยากรเทียงเด่ด เป็นแต่เจ้ามันไกขยันเตะขารีนรู้จูอันตุวยวันถึงเมื่อซากคานไดเมนตัดปันสามรยสิบาตุหากเต็มปองตานเจ้าปอกไปหนอจัดการเป็นยังเก้าหลุมลาวัดอย่างกี คเจ้าอาวาสผู้คงป้องใจจอมธรรมมาเป็นครูสอนสั่งปางเมื่อเจ้าหนังวัดดุุงรึงแต่คาสัทธา ก, ก็จึนจมย่อมือผ้าหน้อมต่างเกาเรล่าเตะสักขาดถึงโนปันสามร้อยสิบ เจตูปื่นมาโยอยอสักปันเป็นสวาตติลันกันจือเขมาจาริกาวัดหูคงในวิงจัดจิงย่อวันนั้นสะท่าเก้าใหญ่แมออกเจ้านางเวียนติบสุนเล่าอยู่สร้างเป็นเก้ายกยอ ต้วยนปีเมื่อขึ้นเลือนยอดได้อยู่เป็นรวงเจ้าอาวาดวัดเจียงยืนขึงปองเป็นรวงแต้ผู้เตนพสังฆคาเจ้าถึงเมื่อสัขาดไดมาปันสามรอยสบแปดตัวกาวันนั้นไปเรียนภาษาแมาน ้าอ่านยังจือวัดย้าจอวบาอันวันนั้นอยู่เศร้านา่อนหลงยันกุ้งเจ้าอยู่แ้เผ็นติดชรื่นถึงเมือรินไปสองปีจึงมั่งมีหมูสะทาคขา เจ้านางบูติบลุงว่าผู้เตียนตั้งตูเจ้าบ้านเตจิงยืนพับจอดไปนี่มันแห่งเจ้าเป็นเก้าวัดว่าง เวลาตอนตานเจ้าคำรับสักขาดหันมีปันสามร้ยศาวตู้หากดูดีหันเต็มจึงขึ้นมาอยู่จึงยืนนี้ตลอดตึงมาถึงกลาลยามนี้เป็นเจ้าอาวาส สาวาสขาดอันผ่านปนปันสามร้อยสาวแอตูนันขาสทาไดยกยอตวนอฝุงเปิ่ในไดเลื่นย้อนขึ้นจือสามีแล้วจือคู่บาหลายปีหันยังมีสักขาดปีเดินขา วันสามร้อยห้าสิบเก่าตูว่ามีมาจา้าไขเดินวันเตะเป็นในเดินสี่ได้จำเริอนบุตรทแปดคำว่าอันวันอันเปื้อนย่อ ควนเมืองขอแต่งตั้งจื้อแต้คู่ใหญ่สิน ร, รมกืออาจยาทำต้นลุงเป็นนายกปลายเมืองตีจริงตุงขาถึงเมือสกขาดได้มาปันสามร้อยหกสิบสามตู้ย้ำมือนีเดินหกเปียงขาดเด เป็นเตเจ้ายานมาสาผาบเจ้าเป็นเก้ายกยอรัฐบาลโอเตียงตั้งลืนยอดปั่นจือสิงน้ำอักามหาสัทธมาจุติกะทาจา้าวจมกรรมไขตามปันยดน้ำตีกะปอธรรม นาคอนยันกุ้งในเมืองยันตามโจมกึงพุทธศา ส, าสนาตั้งเตะข้าก่าวเนสมาดีติเปืิตีโยตามดวยริดเฮา ยอกุล ต, ตันตานเจ้าเมื่อ น, นี้พอกึ่งสมกุลล้อนว่ากรรมมีผิดพุพนขมาลอดอาภัยตูตูตตตสาขาหันมายโอกุลขอเป็นหน้าบุญกรรมไปไหนไปหนก ตูแห่งคานาเตยุติเตวีสาธุปล่อยวางก่อนแดบุญเฮย